ก็สิ่งลบกวนเหลนี้คงอีกสัก2องเดือนน่าจะผ่อนในชีวิตเรานั้นจะมีเครื่องกระทบแบบนี้แทบตลอดเวลาเลยหมดเรื่องนี้ก็เรื่องโ น, น้นไม่มีเรื่องอะไรเลยบางทีก็เจ็บใข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยเพราเราจะหวังว่าชีวิตเราจะปลอดปัญหาเนี่ยไม่มีหรอกชีวิตกับปัญหาเนี่ยเป็นของคู่กันตลอดแต่ว่าปัญหานี้มาแล้วก็รอเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะพ้นไป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 แล้วก็เสร็จแล้วหวังเอาไว้ว่าจะไม่มีปัญหาเราคอยรู้ทันชีวิตของเราอย่างนี้ได้วยต่อไปเราจะสรุปได้เลยว่าชีวิตกับปัญหาเป็นของคู่กันหมดเรื่องนี้ก็มีเรื่องอื่นเรา ะ, ะั้นเราจะไปหวังว่าชีวิตปลอดปัญหาแล้วเราถึงจะภาวนาดีเนี่ยไม่มีโอกาสเลยดังนั้นทัทง้ทงๆที่มีปัญหาอยู่นี่เราต้องภาวนาให้ได้ทั้งสติสมาธิปัญญาต้องฝึกทุกวันเลยอย่างกังวลใจให้มารู้ว่ากังวล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 ส่วนการทําสมาธินีจิตมันไม่ค่อยรวมก็พยายามทําที่หลวงพ่อสอนไปไม่รวมก็ทําทไปแล้วก็เรามีหน้าที่ทํารวมก็เป็นเรื่องของจิตจิตหลงไปรู้นี่ส่วนใหญ่จะเห็นชัดตอนที่เราไปออกเดินออกกําลังกายแล้วก็เหมือนจะเห็นบ่อยขึ้นแต่เวลาลเรานั่งทําอยู่ที่บ้านมันก็อาจจะเห็นไม่บ่อยเท่าไหร่เวลาทํางานบ้านอ่ ะ, ะ, อะใจมันลุ้นไว้ใจเรสร็จสักทีเลยไม่ดูปัจจุบัน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 มันมันเห็นเสร็จแล้วหนูก็พอนั่งดูไปได้สักพักพอออกมาคือหนูไม่รู้ว่ามันคือนั่นคือจิตรวมหนูออกมาแล้วหนูก็อยากเขกตัวหัวตัวเองอะค่ะว่านัน่นคือจิตรวมแล้วทำไมเราไม่ดูต่อแล้วก็มันออกไปแล้วอะ <c oughs> อย่าไปลาพึงลาพันถืออดีตน ะ, ะหนูก็ไม่ได้ลำพึงแต่ช่วงวอย่าไปคิดว่ามันจะมาอีกะถ้าหวังว่าจะมาจะไม่มาเลย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 ขอโอกาสให้คุณแม่หน่อยนะครับคุณแม่ปีนี้อายุเก<อ>้าสิบสามเจริญอาณาปณสติมาได้สามปีแล้วครับ <ừ> ขอหลวงพ่อได้ชี้แนะด้วยครับก็ให้ทำต่อไปนะทำอาณ า, าปณสตินั่นแหละแต่ว่าให้หายใจไปด้วยความรู้สึกตัวเรื่อยๆนะแล้วก็ดูไปสมมติว่าเราจะเจ็บไข้เราจะตายนะแล้วก็เห็นจาให้ไปบอกแม่ดนะ้วยเพราะว่าพูดเท่าบางทีลืมง่าย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 แต่ว่าเคยส่งกับคุณมาลีมาบ้างแล้วคะคครั้งล่าสุดนี้ที่เจอคุณมาลีให้ฝึกแยกธาตุแยกขันนะคัแล้ว ก, ก็ดูไปก็รู้สึกบางทีก็คิดนำไปบ้างบางทีก็มีสติระลึกเห็นบ้างเบื้องตนะ้นบางทีต้องคิดนำด้วยซ้ำไปสำหรับบางคนน ะ, ะอย่างพระป่าเนี่ยท่านทำสมาธิมากแล้วอยู่ๆจะมาให้พิารนาการแยกออกมามันไม่แยกฉันใช้วิธีคิดเอาเลยด้วยซ้าไป